นม้มันสกัดกับพระคุณเจ้าจนพอนะค่ะโยมอยากจะถามเรื่องเกี่ยวกับการปลูกธรรมชาติในใจคนเนี่ยมันจะช่วยสังคมได้อย่างไรคะก่อนนี้ก็ต้องเข้าใจก่อนว่าปลูกธรรมชาติในใจคนหมายควาว่ายังไงก็หมายถึงว่าในความเข้าใจอัตมานนะ้วคือว่าการปลูกสร้างฉันทะความรักในธรรมชาติให้เกิดขึ้นในใจเรานะคือถ้าเราเนี่ยมีความรักในธรรมชาติเนี่ยนะ พฤติกรรมที่เราแสดงออกมาต่อธรรมชาติเนี่ยมันก็จะเป็นไปอย่างอ่อนโยนนุ่มนวลเกิดความรู้สึกช่ำชื่นเบิกบานเมื่ออยู่ใกล้ธรรมชาติแล้วก็อยากจะบำรุงรักษามากกว่ามากวามากว่าที่จะทําลายนะและถ้าว่าเราอยู่ทําการธรรมชาติเนี่ยนะเราก็จะมีความสุขและแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลจากธรรมชาติเนี่ยนะเราก็ยังสามารถจะ ได้พบกับความสบบงบเย็นในใจนะคือถ้าเราปลูกธรรมชาติในใจเนี่ยเราจะเข้าถึงธรรมะได้ง่ายนะธรรมชาติเนี่ยนะที่เป็นต้นไม้เนี่ยที่แน่ๆคือมาทำให้เราเย็นกายเนี่ยอามาเคยกล่าวว่าเนี่ยเย็นกายในร่มไม้สุขใจในร่มธรรมใช่ไหมถ้าเรา รักธรรมชาติเนี่ยนะเราจะมีความสุขเมื่อได้ทําการธรรมชาติเพียงแค่เห็นร่มเงาของต้นไม้เนี่ยเราก็พอใจที่จะไปอยู่ใต้ร่มเงานั้นแล้วเราก็จะเย็นกายและถ้าเกิดว่าเราเข้าถึงทำซึ่งจะง่ายมากถ้าเกิดว่าเรารักธรรมชาติเนี่ยเราก็จะพบความสงบเย็นในใจก็ทําให้เราเป็นคนที่มีเมตตากรุณาต่อ ต่อผู้คนด้วยไม่ใช่แค่มีเมตตากรุณาต่อธรรมชาติต้นไม้สิงสารสนเทศตแต่เราจะเป็นคนอ่อนโยนนุ่มนวลต่อผู้คนด้วยทีนี้ปลูตกต้นไม้มันพอเข้าวให่ขุดดินโตกนะคะแล้วน้ําฝนดินต้นไม้ที่เราปลูกด้วยมือเนี่ยเราจะรักแล้วปละูลกในใจแล้วก็การจะขุดขุดดิดนยังไงฉุปลูกต้นไม้ลงไปด้ยัง คืออัตมาเชื่อว่าคนเรานี่จะรักธรรมชาติเมื่อเราได้อยู่ทาการธรรมชาติและได้พบกับความสงบความร่มรื่นคนทุกวันเนี่ยไม่เข้าใจคุณค่าธรรมชาติเพราะเราอยู่ห่างไกลธรรมชาติันเยอะนะเราอยู่ในตึกนะเราอยู่ในเมืองในบ้านของเราเนี่ยก็ติดแอร์เราก็รู้สึกว่าไอความเย็นเนี่ยนะมันเกิดจากเทคโนโลยีแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมันไม่เท่ากับ ความเย็นกายและเย็นใจไม่ได้อยู่ท่ามกลางต้นไม้ถ้าเกิดว่าเราได้อยู่ได้สัมผัสธรรมชาติมากขึ้นเนี่ยเราจะเกิดความรักเพราะเราเกิดความรักแล้วเนี่ยนะเราก็เหมือนกับว่าความความรักความเมตตาต่อธรรมชาติก็จะงอกงาม ใ, ในใจนะฮะอันนี้คือความหมายหนึ่งนะก็คือว่าเราปลูกธรรมชาติขึ้นมาใน ใ, นใจเราปลูกต้นไม้ขึ้นมาใน ใ, นใจ แล้วขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีจิตใจที่ละเอียดอ่อนมีจิตใจที่ประณีตเนี่ยนะธรรมะในใจเราก็จะงอก ง, งามนะธรรมะในใจเนี่ยมันก็จะไปช่วยบำรุงให้ฉันทะความรักในธรรมชาติเนี่ยมันงอก ง, งามขึ้นด้วยนะเวลาต่อมาชวนคนปลูกป่านะตรรมาก็จะบอกว่าเราไม่ได้มาเพื่อฟื้นฟู ป, ป่าเท่านั้นนะ เรามาฟื้นฟูใจด้วยนะคำขวัญที่วัดป่ามหาวานนี่ความขัญนึกคือว่าฟื้นฟูป่าฟื้นฟูใจคือเวลาเราปลูกต้นไม้เนี่ยนะตมาก็บอกว่าให้เราเนี่ยแผ่เมตตาให้กับต้นไม้นะแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ที่จะได้อา น, นิสงค์จากต้นไม้คนสมัยก่อนเนี่ยค น, คนพจนพัฒลุลงคนาัฒตาเนี่ยก็จะมีคาถา คาถากรบดินเวลาปลูกต้นไม้เนี่ยสั้นๆพุทธังพลาผลนกกอะเป็นบุญคนกินเป็นทานทํามังพลาผลนกกอะเป็นบุญคนกินเป็นทานสังขั ง, งพลาผลนกกอบเป็นบุญคนกินเป็นทานอันเนี้ยมันมันซอเห็นถึงจิตใจที่นึกถึงธรรมชาตินึกถึงสรรพสัตว์เราปลูกต้นไม้เราไม่ได้ปลูกเพื่อเราคนเดียวนะ เราไม่ได้ปลูกเพื่อเราจะได้กินคนเดียวเราก็เกลือแผ่ไปให้นกะนะเขาได้เกาะนะเขาได้ทำรังคนอื่นก็มากินก็ได้เราก็ไม่ว่าอันนี้คือถ้าเราสมมุติเราปลูกต้นไม้เนี่ยเรามีคำาอ่นิศฐานแบบนี้จิตใจเราก็จะอ่อนโยนเมตตากรุณาก็จะงอกงามไอ้เมตตาที่งอกงามขึ้นในใจนี่ก็เหมือนกับว่าธรรมชาติเนี่ยมันกำลังงอกงามในใจเรา แล้วคําว่าธรรมะของพระพุทธองค์ที่กล่าวถึงบ่อยๆก็คือธรรมชาติสุดท้าจริงๆความหมายหนึ่งของธรรมะธรรมะคือธรรมชาติธร ร, ธรรมะเนี่ยมีความหมายหลายอย่างนะหมายถึงคําสอนก็ได้หมายถึงกฎธรรมชาติก็ได้หมายถึงผลที่เกิดจากการปฏิบัติเข้าถึงธรรมะก็ได้หมายถึงความดีก็ได้เช่นว่าคนที่เป็นคนมีธรรมะเนี่ย เราแปลว่าคนนี้เขามีมีความดีห ร, หรือว่าคนนี้เขาเข้าถึงธรรมะเนี่ยแปลว่าเขากําลังเห็นความจริงของธรรมชาติความจริงของธรรมชาติเนี่ยเป็นกฎธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ไม่แปรเปลี่ยนนะอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยที่เราบอกว่าเนี่ยความไม่แน่นอนคือความแน่นอนอันนี้ก็เป็นกฎธรรมชาติจะแพ้คราวนี้ถ้ากับว่ า, เ, าเราเข้าใจกฎธรรมชาติเนี่ย อย่างถึงที่สุดเนี่ยเราจะพ้นทุกข์ได้เพราะว่าพอเราเห็นว่าธรรมชาติเนี่ยมันไม่เที่ยงนะมันเต็มไปด้วยความขัดแยง้งต้องเสื่อมสลายธรรมชาติทุกอย่างไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยเราก็จะคลายความยึดติดหรือมั่นเราก็จะปล่อยวางความยึดติดในตัวกูของกูก็น้อยลงเพื่อให้เราเนี่ยได้เข้าถึงความสุขนะเป็นความสุขที่เราเห็นแจ้งในธรรมชาติ ในกฎธรรมชาติ <Okay. S 2> ใช่ไหมฮะแล้วใจเรานี่เป็นธรรมชาติใช่ไหมคะแล้วการฝุกใจของเราเนี่ยมันคือการฝึกต้นไม้วยื่าจริงๆไม่ใช่แก่ใจของเราเป็นธรรมชาติเดียวกายของเราก็เป็นธรรมชาติกายและจ่ายเป็นธรรมชาติแต่ว่าเราไม่เห็นความจริงตรงนี้เราไปยึดว่ากายนี้เป็นเราเป็นของเราเใช่ไห ม, ามการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะ ก็คือการที่ทำให้เราเห็นถึงธรรมชาติในตัวเราเราไม่เพียงแต่ฟิิปธรรมชาติที่อยู่นอกตัวแต่การเจริญภาวนาเนี่ยเรียกวิปัสสนาเนี่ยคือการทีให้เราเห็นธรรมชาติคือกายและใจเห็นกายและใจตามความเป็นจริงเห็นว่ากายไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เราแต่ว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือการที่ทำให้เราได้เห็นธรรมชาติ ที่มันอยู่กับเรามาตลอดแต่เราด้วยความหลงเราก็เลยไปยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราไปยึดว่ามันเที่ยงไปยึดว่ามันเป็นสุขนะยึดว่ามันเป็นตัวเป็นตนเพราะฉะนั้นถ้าสรุปว่าใจเป็นธรรมชาติการฝึกใจการฝึกจิตก็ถือเป็นการปลูกธรรมชาติในตัวเราไม่ใั่ใช่แล้วก็เป็นการปลูกธรรมชาติฝ่ายดีนะเพราะเราก็ต้องยอมรับธรรมชาติคนเราเนี่ยนะ มันก็มุกธรรมชาติข้างนอกเนี่ยต้นไม้ก็มีพัชพืชใช่ไหมฮะต้นไม้มีทั้งต้นไม้ที่สวยงามและวัชพืชในใจเราเนี่ยมันก็มีทั้งส่วนที่เป็นกุศลธรรมและอกุศลธรรมปลูกต้นไม้ในใจคือว่าเราพยายามที่จะปลูกกุศลธรรมให้งอก ง, งามขึ้นมาใน ใ, นใจปลูกความดีขึ้นมาใน ใ, นใจเราปลูกสติปลูกปัญญาขึ้นมาในใจเราใช่ไหมโดยเพราะปัญญาสําคัญมากปัญญาในที่นี่คือการที่เราเห็นความจริงของกายและใจ เห็นว่ามันเป็นไปตามกฎธรรมชาติมันไม่ได้อยู่ในอำนาจที่เราจะบังคับบัญชาได้นะและถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยนะก็ถือว่าเราเนี่ยได้ได้เห็นแจ้งในสัจธรมรมแล้วเราไม่ทําให้ใจเราเนี่ยมันเป็นอันหนึ่งเดียวกับธรรมชาติภายนอกอย่างมีพระเถรีบางท่านเนี่ยท่านท่านพูดว่าเนี่ยคือพอท่านได้เข้าใจธรรมะเนี่ยนะท่านจะรู้สึกว่าตัวท่านกับธรรมชาติเนี่ย เป็นหนึ่งเดียวกันถ้าใช้คำว่าธรรมชาติภายในใและธรรมชาติภายนอกเนี่ยมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะพอเราเพอเราเห็นว่ามันไม่มีเส้นแบ่งระหว่างเรากับธรรมชาติเนี่ยตรงนี้เรียกว่าภาวะที่เป็นตัว ต, ตนแล้วก็หายไปนะอันนี้ก็ทําให้เห็นถึงธรรมชาติภายใ น, ในที่มันแพร่ซ่านไปกลมกลืนเป็นเดียวกับธรรมชาติภายนอกก็จะมีความ ส, สุขแล้วอย่างที่พระพุทธองค์ตรัสว่าคิดเป็นกุศลใจขรรมเยน คิดเป็น ก, กุศลใจก็ร่มร้อนอันนี้ก็คือปลูกต้นไม้กับปลูกตึกใช่ไหมครับ <laughs> ใช่ปลูกต้นไม้หรือว่าถ้าเราคิดเป็นกุศลเนี่ยนะก็เรียกว่าต้นธรรมชาติก็จะเกิดความก็จะงอกงามสร้างความร่มเย็นในกิจใจ <c oughs> นะแต่ถ้าเราไปอาจจะทําลายธรรมชาตินั้นปลูกตึกขึ้นมาแทนมีแต่คอนกรีตกิจใจมีแต่ความกระด้างใช่ไหม <c oughs> ก็จะร่มร้อน สมัยนี้เนี่ยเราไม่เพียงแต่ทําลายธรรมชาติภายในธรรมชาติภายนอกเราก็ทําลายแล้วเราก็เทปูนนะเทคอนกรีตนะมันก็มีแต่คอนกรีตอยู่เต็มเมืองเสร็จแล้วก็ร้อนนะโดยเพราะหน้าร้อนนี่จะจะร้อนมากก็เหมือนกันนะถ้าว่าธรรมชาติภายในเนี่ยมันถูกทําลายเพราะว่าเราเราไม่สนใจที่จะดูแลเราก็เหมือนกับว่า ปล่อยให้อาบุตรสรธรรมขึ้นมาในใจใ<ช>มันก็เหมือนกับว่าความร่มเย็นของธรรมชาติหายไปจากใจมันมีแต่ตึกนะที่ทําความรุ่มร้อนให้กับใจทีนี้โยมไม้เคยอา่านเรื่องของเขา้าคำวิจัยเกี่ยวกับปกธรรมชาติในใจโดยเขาก็บอกว่าเขาสามารถที่จะวัดวัดได้เป็นกระแสไฟฟ้าแล้วเขามักจะวัดกับลักบวชเช่นเขาบอกว่าพอวัดกับลักบวช ซึ้งใจเป็นไปด้วยธรรมชาติเนี่ยจะมีความเขาเรียกว่ามีพลังปรลาณลห้ามล้อมเยอะมีประจุไฟฟ้าลบห้อมล้อมมากอันนี้ก็ถือเป็นชี่หรือเป็นพลังกลาณแล้วเขาไปวัดตามสถานที่ที่คนไปปฏิบัติธรรมเช่นโบสถ์เขาบอกว่าแปลกมากโบสถ์นี้ตัง้งตั้งท่ามกลางแสงแดดที่ร้อนแรงนี่ยแต่เข้าไปในโบสถ์แล้ทําไมไมันถึงเย็นเขาก็เลยตรวจวัดกระแสไฟฟ้าปรากฏว่าในบริเวณนั้นเนี่ยจะเป็นพลังกลาณ ถ้เป็นพลังร่มเย็ฉนฉะนั้วเขาก็ศึกษาต่อไปว่าเมื่อเป็นพลังรุ่มร้อนเหมือนคนที่รุ่มร้อนปลูกแต่ติดในใจอย่างนะคะก็จะคิดถึงผลประโยชน์ที่ถึงสิ่งที่จะได้คิดถึงคุ้มไม่คุ้มในการทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ปรากฏคนพวกนี้เนี่ยจะมีประ จ, จุไฟฟ้าบวกห้อมล้อมแล้วเขาศึกษาต่อว่าในเขตที่เกิดอุบัติเหตุมันจะเต็มไปด้วยประ จ, จุไฟฟ้าบวกแล้วในเขตที่ ที่มันสัพะยะาด้วยในเขตที่ประสบความสําเร็จมันก็จะเป็นประจุไฟฟ้ า, ฟาลบอันนี้เขาบอกว่าเอ๊ะทงนั้นชีวิตของคนเรามันเคลื่อนไหวด้วยประจุไฟฟ้ า, ฟาแล้วตัวที่กําหนดประจุไฟฟ้าทั้งหมดที่จะดึงสิิงดีแม่เราก็คือใจแล้วอันนี้เองที่โยมเนี่ยใช้กุศโลบายในการ ท, ที่ที่บริษัทมีรถเยอะเอ๊ะเขาใช้ประกันชั้นหนึ่งเพราะถึงบริษัทส่งของ โยมเอาเรื่องปลูกธรรมชาติเข้ามาใชา้โดยการที่ทุกคนไม่มั่นใจในการที่จะไม่มีประกันภัยโยมก็ตั้งบัญชีขึ้นมาเลยอย่าประกันชาตนเหมือนจ่ายที่นี่ก็จ่ายที่โยมแต่ว่าโยมเอาคนขับรถไปฝึกปฏิบัติธรรมพอใจเขาเย็นนี่นะปรากฏว่าอุบัติเหตุนีน่เกิดเลยท่านเกิดน้อยมากถ้าจะโยมทําเป็นรรสติสตินะขนาดรถแค่สิบห้าคันเนี่ยโยมให้กาไรเยอะๆเพราะงั้นโยมยังบอกว่าทําให้จิตใจร่งเย็น มันก็ดึงสิ่งที่ร่วมเย็นเข้ามาห า, าเราดึมจะบอกทุกน้องทุกคนเลยไม่ต้องประกันอะไรเลยไม่ต้องไปประกันภัยอะไรเลยขอให้พี่ชนะเตืเองว่าวันนี้ได้ทําดีแล้วอีกอย่างอันนี้เป็นการปลูกต้นธรรมชาติในใจนะคะใช่คือจะมาว่ามันมีความน่าสนใจประการหนึ่งคือว่าที่คุณนิดดาว่าเนี่ยคือพอเราปลูกธรรมะหรือปลูกธรรมชาติในใจเนี่ยจิตใจและร่างกายเราก็จะร่วมเย็นจิตใจเราร่มเย็นร่างกายเราก็มีมีสุขภาพดีใช่ไหะ ค่ะเดียวกันเนี่ยถ้าเราเนี่ยปูกพันหรืออยู่ใกล้ชิดธรรมชาติภายนอกนี่นะมันก็เกิดผลดีเหมือนกันมีคนมีคนพบว่าเนี่ยอย่างเช่นเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยในกรุงอัปสดับในประเทศฮอลแลนด์ Holland เนี่ยขาพบว่าประชาชนเนี่ยที่อยู่ในรัศมี1กิโเมตรรอบพื้นที่สีเขียวสุขภาพจะดีโรคที่คนสมัยใหม่เป็นเนี่ยโรคหัวใจโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคซึมเศร้าไมเกรนเนี่ย 15้โรคเนี่ยจะเป็นน้อยกว่าที่คือหมว่าจะจะพูดว่าพลังชี่จากธรรมชาติเนี่ยมันเข้ามาสู่ร่างกายและจิตใจของคนที่อยู่แวดลอ้อมก็ทำให้จิตใจเย็นนะซึมเศร้าน้อยลงรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็โรคอั น, อนตรายต่างๆก็น้อยลงธรรมชาติภายนอกก็มีผลดีต่อร่างกายและจิตใจธรรมชาติภายในนะก็ส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจของเราเหมือนกัน ที่ต้นไม้เนี่ยเขาวัด ม, มีพลังมีพลังตานแล้วมีปุ่มไฟฟ้าลดเส้นกันเพราะฉะนั้นเวลาเราเคลื่มากๆมานั่งใกล้ต้นไม้ก็จะดีเพื่แต่เชื่อไหมคะว่าต้นไม้รักษาโรคเราไม่หล่บเพราะว่าร่างกายคนเราห่างจากธรรมชาติมากใส่รองเทา้าซึ่งสิ่งสิ่งนี้นไม่ควรใส่ในในใ น, ในสิ่งในสิ่งวล้อมที่ดีปรากฏว่าเขาใช้วิธีให้เดินเท้าเปล่าเพื่อที่จะดึงกระแสไฟฟ้า หรือประจุฟไฟไฟ้าที่มันเกินในร่างกายออกไปเขาบอกฝ่าเท้าเนี่ยมันเหมือนกับใส่ใส่ดินแล้วต้นไม้เนี่ยเป็นตัวดูดซับ ส, สิ่งที่เป็นลบในร่างกายเราเนี่ยเอาไปดูีมากทั้งคนนอนไม่หลับค่ะติดกอต้นไม้แล้วสักพักใหญ่ๆก็จะรู้สึกเบาเสีง่งแล้วก็ไปนอนก็ะจะเป็นบ้านโย่ต้นไม้ใหญ่มากโอ้ยยิ่งยิ่งยิ่งกว่าลนงนอนไม่หลับนะมันมีโรคเครียดโรคที่เกิดจากเขาเรียกว่า อ่า post trauma stress disorder นี่เป็นกันเยอะนะ post trauma คือว่าโรคที่โรคที่ความเครียดอย่างรุนแรงที่เกิดจากความสูญเสียบางอย่างเช่นคนรักตายประสูุติเหตุหรือพวกที่ผ่านจากสงครามเนี่ยเขาจะเรียกเป็นพวก post trauma stress disorder พวกนี้พวกนี้จะหลับขวาะหวาทั้งคืนใช่ไหมเพราะคนว่าในเกาหลีใต้เนี่ยเขามีวิธีการเยียวยาคือว่าไปเที่ยวป่าไปทากิจกรรมในป่า เดินเดินเล่นตอนเช้าไปเล่นโยคะไปวาดรูปทำกิจกรรม เ, าเบาๆเพืเ่อป่าบำบัดดีขึ้นนะนดีขึ้นที่โยมเห็นนะที่ประเทศต่างๆอย่างเช่นเกาหลีเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีเรื่องเทควันึงเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเลยแต่ของเราไม่มีเพราะอะไรคะเราติดสบายนะแล้วเราก็ไปดูถูกธรรมชาติเพราะว่าเราอยู่ท่ามกลางคอนกรีตเราก็เชื่อชูคอนกรี เดี๋ยนี้ที่ไหนที่มีที่ว่างในกรุงเทพหรือในเมืองนะก็จะเทปูนใช่ไหมตัดต้นไม้อันนี้เป็นแม้กระทั่งในวัดวัดนี้ก็ตัดต้นไม้แล้วก็เทปูนเราปูนมันก็เลยอยู่ในใจเราก็คือแข็งกระด้างบางทีปูนอยู่ในหัวเราด้วยแล้วก็คือว่าเราก็ทุกตันกิตใจแล้วก็แข็งกระด้างเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยมันก็เกิดโรคต่างๆทั้งทางใจและทางกายแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะ มีธรรมชาติในใจเราปลูกธรรมชาติในใจลูกหลานของเราให้คลั่ธรรมชาติถห้เขาสึกเป็นสุขหรือว่าอ่อนโยนต่อธรรมชาติเนี่ยนะเขาจะเขาจะกลมกลืนกับธรรมชาติได้ง่ายเวลาเขาได้ไปเนะช็คกิ้งนะหรือว่าได้เดินอยู่ในสวนสาธารณะก็จะมีความสุขแต่เดือนนี้เราทำเราสวนสาธารณะเราไม่มีเรามีสูนการค้าจะมาที่ไหนเนี่ยนะนะไทยรือระหว่าง สวนสาธารณะสวนการค้าคนไทยเลือกอะไรคนคลุเทคบเลือกอะไรคลุมแคบเลือกสวนการค้าใช่ไหมแล้วมันเป็นตึกใช่ไหมเป็นปูนน่ะมันมันเย็นแต่ว่ามันเย็นข้างนอกแต่ว่าใจรุมร้อนเพราะความอยากและความเครียดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสร้างพื้นที่สีเขียวสวนสาธารณะให้มากขึ้นในเมืองนะความสุขกายและสุขใจก็จะขึ้นง่ายแม้ว่ามันจะไม่เย็น มันก็อยู่ในท้องแอร์เพราะว่าอยู่ในสวนสาธารณะบางทีมันก็ร้อนใช่ไหมแต่ว่ามันก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเพราะบางทีคนเราเนี่ยนะขับเนื้อออกมาบ้างมันก็ช่วยทําให้พลังงานในร่างกายเรามันสมดุลอันหนึงที่โยมจะพูดถึงต้นไม้นี่ผลิออกซิเจนเขาจะมีเอนไซม์ตัวนหนึ่งซึ่งไปประทับแต่แสงแดดเขาก็ผิดออกซิเจนดันงการที่เราไปอยู่ใต้ร่มไม้เราก็ได้ออกซิเจนนั่นแต่มันเป็นหนึ่งที่ พวกที่นิยมติดโดยเฉพาะมันเป็นเคราะกรรมของลูกคนเลยหรือเปล่าไม่รู้เลยจะอยู่ในห้องแอร์เรียนหนัสือห้องแอร์กินอาหารห้องแอร์นั่งรถแอร์เพราะฉะนั้นเนะี่ยกระบวนการตัวหนึ่งในร่างกายที่เสียไปคือการปรับสมดุลความร้อนเย็นแล้วนี่เป็นเรื่องจริงมีลูกมีลูกเรียนโรงเรียนอินเตลูกศรษฐีเลยก็ อ, อยู่สภาวันนี้วันหนึ่งก็อยากวิ่งกับเพื่อนเพื่อนเห็นเพื่อนวิ่งเหนื่อยแตกเนะี่ยไปร้อยเรวิ่งด้วย เกิดอาการพิสโต้ล้มลงขาดใจตายเลยรใช่เพราะว่าพอพอมันอยู่ในที่ร้อนเสร็จร่างกายเอ็กกลไกลที่มันปรับความร้อนอ่ะมันปรับไม่ได้เพราะมันไม่ถูกใช้ออพอมันไม่ถูกใช้ปุ๊บความร้อนที่พกเข้าไปมันเกิดพี่สะสมออพอสะสมปุ๊บมันเกิดการล้มเหลวของอวัยวะต่างๆในร่างกายเขาเรียกว่าพิสโตค่ะล้มลงตายเลยแล้วออข้างในสุดหมบนี่โยมเจอสองรายคนหนึ่งก็เป็นผู้ใหญ่ที่ ที่จะไปตาก้าโปร่งส่งก็อีกอย่างที่เป็นแรงนะอ้นี่ก็คือว่าจริงๆแล้วธรรมชาติช่วยให้ตัวเราสมดุลใช่ดังั้นถึงแม้ว่ามันจะมีร้อนบ้างมีเหนื่อยบ้างเนี่ยอันนี้ของดีใช่ไหมเมื่อกล้าร่างกายคนเราต้องออกกําลังกายเราไปคิดว่าเออร่างกายเนี่ยนั่งนั่งนอนๆดีๆไม่ผิดนะเป็นอันตรายมากเลยใช่ไหมต้องออกกําลังกายนะให้มันเหงื่อออกนะให้ให้ให้หัวใจมันได้เต้นแรงๆบ้างให้ปอดมันได้ทํางาน อย่างเข้มข้นบ้างเนี่ยมันช่วยไอ้แบบนี้เนี่ยมันไม่มันเหนื่อยแต่ว่ามันเป็นผลดีกับร่างกายแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราติดสบายเนเราไปนับถือเพราะลุกขึ้นมาเดินไม่ไหวเหนื่อยกว่าเดี๋ยวนี้เรานับถือความสุดวสบายไปพระเจ้าพอเราเอาความสะขสบายพระเจ้าเนี่ยเราไม่อยากเดินแล้วนะเราก็อยากอยู่ในห้องแอร์นะแล้วถ้ามีโปรแกรมรีทรีฟหรือปฏิบัติธรรมทางด้านปลูก ทำใมชาติในใจบ้างไหมครับอ่าคือวัดตะตำมาก็เป็นวัดป่าคนได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็มาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็บางครั้งเราก็มีการปลูกป่าปลูกต้นไม้เราก็เชิญคนเนี่ยชวนคนไปปลูกต้นไม้กลางแดดบางที่แดดร้อนแต่เราก็ให้เขาได้ได้เรียนรู้นะที่จะอยู่กับความร้อนอะนะวนลาที่ปลูกต้นไม้เราก็ให้เขาปลูกเมตตาใ น, ในใจด้วย การปลูกต้นไม้เป็นวิธีการปลูกสติอย่างหนึ่งนะที่จะมาส่งเสริมอากาศจะร้อนยังไงมันร้อนแต่กายถ้าเรามีสตินะใจไม่ร้อนั้นเน่เวลาปลูกต้นไม้เนี่ยเราก็ปลูกสติต้นไม้เนี่ยมันไม่ใช่ต้นไม้ที่เราถือในมือแต่ว่ายังมีต้นไม้ในใจปลูกทีเดียวเนี่ยนะได้สองคือได้ได้ต้นไม้แล้วก็ได้สติ รวมทั้งเมตตากรุณาขึ้นมาในใจวอันนี้ก็ทำฮะพวเผาตอมาลย์อ๋อนี่เราก็ต้องพยายามที่จะควบคุมแม่เขาทําตามอําเภอใจแล้วก็มีการลาดตัวเวรที่ว่าตมารในช่วงเนี้ยจะมีลาดตัวเวรทุกวันเพื่อไม่ให้คนเนี้ยเผาป่าใช่ไหมหรือว่าถ้ามีไฟไหม้เราก็ได้ไปดับไฟได้ทันไดับไ้นแล้วก็มีเดินธรรมยาตาด้วยธรรมยตานี้เป็นการเดินเพื่อธรรมชาติ ภายนอกและธรรมะในใจเราเดิน8วันแนะเดินกลางแดดนะเด็กตั้งแต่อายุ45ขวบจนถึงเจ็ผู้ใหญ่อายุ 70-75 ก็มาเดินคนที่เดินเนี่ยเขาจะเห็นคุณค่าธรรมชาติมากเลยเพราะว่าเดินกับท่ามกลางอากาศที่ร้อนเนี่ยคราวทั้งทั้งเส้นเนี่ยประมาณ120ยยี่สโลลเท้ารองเท้าหรือว่าแล้วแต่แล้วแต่จะใส่ก็ได้จะถอดก็ได้ แ, แ, ตตแต่อรตมาก็ถอด เพราะว่าถือว่าเป็นการฝึกสติไปด้วยในตัวทั้งหมดกี่วันคะอันจริงก็7คืน8วันห้ามเข้าลมใช่ไหมคะอ๋อเข้าลมได้แล้วแต่แล้แต่ว่าสภาวะจึงไม่ร้อนตรงนั้นแต่ว่าเราจะไม่ค่อยมันจะไม่ค่อยมีล่มระหว่างทางเพราะว่าตัดต้นไม้กข้ไปเยอะไอ้คนเนี่ยถ้าไปเดินธรรมยตาลเขาจะรักธรรมชาติเพราะว่าโอ้ธรรมชาตินี่นะเช่นต้นไม้เนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ยร่มเงาเกิดขึ้นตรงนั้นนะลมเย็นสบายโอ้ช่วงที่คนเดินนี่นะ เรามาพักตรงทิวทิวแถวที่มีต้นไม้น ะ, ะมันเย็นสบายมากเลยคนจะรักธรรมชาติรู้สึกมันตัดขาดกันเลย<ช>คือคนเนี่ยมไม่เคยรักธรรมชาติไม่เคยรักต้นไม้เท่ากับความาเดินธรรมยาตา เ, เพราะว่าเดินแล้วเนี่ยมันเย็นถ้าไม่มีต้นไม้เมื่อไหล่จะร้อนแล้วคนหลายคนเนี่ยกลับไปเนี่ยเขาก็จะรักต้นไม้เขาจะปลูกต้นไม้เขาจะดูแลต้นไม้ไม่ใช่ตัดแล้วก็เทปูนนะแล้วก็ ส่วนหนึ่งที่ที่โยมอยากให้คนเข้าใจว่าปลูกธรรมชาติในใจเนี่ยเราทําได้เองทําได้ทุกวันขอให้ท่านสืบต่สิคะคือเริ่มต้นจากการที่เราเนี่ยกลับมารับรู้ธรรมชาติในใจเช่นรับรู้ลมหายใจที่เข้าและออกลมหายใจเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติที่ก่อเกิดบารุงเลี้ยงชีวิตเราและลมหายใจเนี่ยนะ เพวอย่เราหายใจแบบลดทิ้งหายใจออกก็ลดทิ้งหน่อยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราพยายามเอาใจใส่ลงไปในลมหายใจเนี่ยลมธรรมดาติดก็นลมพิเศษนะที่มันจะคอยดับความรุ่มร้อนในใจคอยปลดเปล่าสิ่งที่ทาให้เราหนัก อ, อกหนักใจทำให้จิตใจเราเปิดโล่งไม่ไม่ไม่ติดตันเนี่ยเราใช้ธรรมชาติในใจ ใ, ในตัวเราเนี่ยนะาเป็นเครื่องที่นาพาความสงบไปหล่อเลี้ยงใจ S <S และความสงบเนี่ยมันช่วยทําให้ใจหรือธรรมชาติในใจเราจเจริญงอกงามมากขึน้นลมหายใจถือเป็นต้นไม้ใช่ไหมครัลมหายใจไม่ใช่ต้นไม้แต่เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงเรากับต้นไม้มมเป็นสิ่งที่เชื่อมเรากับธรรมชาติเพราะเพราะทุกลมหายใจนะที่เราหายเข้าไปเนี่ยหายใจเข้าไปเนี่ยมันก็คือออกซิเจนที่มาจากต้นไม้นะลมหายใจเนี่ยมันเชื่อมเรากับธรรมชาติมันเชื่อมกายกับใจมันทําให้ธรรมชาติ ในใจและในกายเราเนี่ยนะมันประสานกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันคือกายกับใจเนี่ยยที่กายกับใจของผู้คนเนี่ยมันแตกแยกกายทางหนึ่งใจไปอีกทางหนึ่งนะถ้าเราเอากายกับใจเนีมาเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยโดยสายลมหายใจเนี่ยเราจ ะ, ะมีความสุขนะความสุขมันอยู่ที่ใจเรานะเราพบสุขได้ทุกที่ก็คือการที่เราเนี่ยนะพยายามเอาธรรมชาติในใจเนี่ยนะ ให้มันช่วยหล่อเลี้ยงหล่อเลี้ยงชีวิตเรานะนั้นจะไปสนใจสิ่งนอกตัวมากอย่ามัวแต่เล่นไลน์ Facebook กลับมาที่กายและใจของเรานะและใชโลมหายใจเนี่ยเป็นตัวช่วยเพิ่มพูนหล่อเลี้ยงบมรุงธรรมชาติภายในใจเหมือนกับต้นไม้ต้นไม้เนี่ยก็ต้องการน้ำใช่ไหมมันถึงจะโต<ถ>ะธรรมชาติในใจเราเนี่ยมันก็ต้องการความสงบ ความรู้สึกตัวถ้าเราเติมความสงบความรู้สึกตัวไปธรรมชาติใจเราก็จะงอกงามมันจะกลายเป็นต้นโพที่อยู่ในกลางใจและพอเรามีต้นโพกลางใจนะหรือว่าต้นไทรกลางใจนะมันจะร่มเย็นใช่ไหมเดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราอยู่ในห้องแอร์แต่ว่าใจเราเนี่ยไม่มีไม่มีมมต้นไม้สักต้นเลยมันก็เลยแห้งผากเหมือนทะเลทรายนะนก็เลยเป็นใจที่มีความทุกข์เป็นใจที่ก้าวร้าว แต่ถ้าเราปลูกต้นไม้ปลูกธรรมชาติคือมาในใจเนี่ยมีต้นโพต้นไสรแผ่กิ่งก้านแผ่สาขาโอ้มันจะร่มเย็นมากเลยนกมาเกาะใช่ไหมคะ ใ, ให้นกได้เกาะ ใ, ให้คนได้กินแล้วกรณีที่พระพุทธองค์กล่าวว่าใจเป็นประทางของทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเกิดใจตรงนี้เป็นต้นไม้ในใจเราด้วยไหมคะ ใ, ในตัวเราซึ่งจะต้องการบำเหน็จแารจริงๆแล้วพุทธเจ้าเนี่ยจะส่งเสริมนะ ให้คนเนี่ยให้พรานเนี่ยให้โยมเนี่ยไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติใช่ไหมเพราะพระองค์เนี่ยประสบด้วยตัวเองด้วยพระองค์เองว่าพระองค์เนี่ยเมื่อพระองค์ได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติเนี่ยจิตใจท่านช่างโปร่งเบิกบานช่มชื่นคืนวันที่พระองค์จะตัดสรุปพระสมบัติสมุทธิยาเนี่ยพระองค์เห็นธรรมชาติตรงริมแม่น้ําเรนชาราสวยงามมากท่านบอกเลยนะว่าโอ้ทิณนี้เป็นลมมณิสถานใคร่สนล่มลื่นน่าชื่นบานมีแม่น้ํา ไหลใสเย็นนะเป็นสถานที่นี่แหละเหมาะกับการบำเพ็ญพรนาแต่พระองค์ก็เกิดท่ามกลางธรรมชาตินะใชประสูตท่ามกลางธรรมชาติใช่ตรัสรูท่ามกลางธรรมชาติและปารินิพานท่ามกลางธรรมชาติเช่นกันใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์จึงเชิญชวนให้พุทธบริษัทเนี่ยได้ไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติได้ไปจาริกนะเพื่อบำเพ็ญพรนา อาศัยธรรมชาติเนี่ยนะเป็นเป็นที่ที่เราจะได้กลับมาดูธรรมชาติภายในและทําให้จิตใจเจริญงอ ง, งามมีความร่มเย็นมีความสงบเย็นเพียงท้างนี้นะคะบริเวณตรงนี้ก็เต็มไปด้วยต้นไม้แล้วก็แสงแดดโยมนี่เป็นสัญลักษณ์แสงแดดต้นไม้แสงแดดเราก็ชื่นใจแล้วเหงือที่ออกสะท้อนว่าอาวยัยวะอวัยวะของเรายังสมดุลเป็นธรรมชาติอยู่ ราบน้มัส ก, การจ่าปดเจริญพร